ซึ่งเป็นปฐมเหตุแห่งการปฏิเสธและเย้ยหยันของพวกตั้งภาคีพวกเขาได้ปฏิเสธอัลกุรอานและไม่ยอมเชื่อปรากฏการของวันปรโลกโดยสิ้นเชิงและเร่งเร้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำการลงโทษมาโดยเร็วซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนพวกเขาอยู่เสมอและทุกครั้งที่การลงโทษได้ล่าช้าไป พวกเขาก็เรียกร้องและยืนยันมากยิ่งขึ้นบทนี้มีจุดมุ่งหมายถึงการกําหนดหลักการแห่งความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์โดยให้เบือนความสนใจไปสู่เดชานภาพของพระองค์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตโดยสนทนากับสิ่งสัมผัสทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์และอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์ให้มุ่ง ใช้สติปัญญาสู่พระเจ้าของเขาเพื่อจะได้เห็นร่องรอยในการสร้างของอัลเลาะห์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ยังได้กล่าวเตือนมนุษย์ถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์กลับได้เตือนพวกเขาถึงบั้นปลายที่จะเกิดขึ้นอย่างมหันต์แก่ทุกคนที่ดื้อดึงและฝ่าฝืนบทนี้ถูกขนานนามว่าพึ่งเพราะข้อความในบทประกอบด้วยบทเรียน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 พระบัญชาของอัลเลาะห์วันปรโลกได้มาแล้วดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งมั่นพระองค์ทรงมาหาบริสุทธิ์และ هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَفَتَقُونَ พระองค์ทรงส่งมลาอิกะห์ลงมาพร้อมด้วยโอกาสตามพระบัญชา خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจริงพระองค์ทรงสูงส่งกว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากน้ำอสุจิ แล้วเค้าก็เป็นปรปักษ์อย่างชัดเจนต่อพระผู้ทรงสร้างวัลอนอามะคอลักะฮาละกุมฟีฮาดิฟอวะมะนาฟิอวะมินฮาทาคุลูนและปาสุสัตพระองค์ทรงสร้างมันสําหรับพวกเจ้าในตัวมันมีความอบอุ่นและประโยชน์มากหลาย และส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภควะลากุมฟีฮาจะมาลุนฮีนะตะรีฮูนวะฮีละตะสเรานและตัวมันมีความสง่างามสําหรับพวกเจ้าขณะที่นํามันกลับจากทุ่งหญ้า และขนาดที่นํามันออกไปเลี้ยงและถืออัตตาของพวกคุณไปยังเมืองที่ไม่เคยบรรลุถึงได้เลยนอกจากด้วยการขัดขืนแท้จริงบรรพบุรุษของพวกคุณจะไปถึงมันไม่ได้เว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากลําบากใจแท้จริง พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอวัลคอยลวัลบิฆอลวัลฮามีรลิตรกบูฮาวะซีนะวะยัคนุกมาลาตะอะลัมุนและม้าและล่อและลาเพื่อพวกเจ้าจะได้ขี่มันเป็นเครื่องประดับและพระองค์ทรงสร้างสิ่งอื่นที่พวกเจ้าไม่รู้อีก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 هو الذي انزل من السماء ماء فأنبتنا به جنات وخرجنا منه شرابا وطيبا فبِهِ نَشْرَبُ وَبِهِ نَسْقِي وَبِهِ نَسْتَطْعِمُ وَبِهِ نَحْيَا เพื่อชายเรียนสักยูบีตุลนกุห์บิซซะรวาวัลซัยตูนาวัลนคีลวัลอานาบวะมินกุลลิซซะมะรตอินนะฟีซาลิกะลาอาตัลลิเกามียะตะฟักกะรุนด้วยน้ํานั้นพระองค์ทรงให้พืชและผลมากอกทะบะลัมองุ่นและผลไม้ทุกชนิด งอกงามสําหรับพวกเจ้าแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสําหรับกลุ่มชนที่ตึกตรองวะซัคคาระละกุมุลไลละวันนะฮารอชชัมซะวัลกอมัรวันนุจูมุมุซัคคาระตุมบิอัมริฮิอินนะฮาลิกะลาอายาตินลิเกามินยะอ์กิลูนและพระองค์ทรงให้กลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและหมู่ดวงดาวนั้นถูกใช้ให้เป็นโดยพระบัญชาของจริงในนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณต่างๆสำหรับกลุ่มชนที่ใช้ปัญญา وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون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 وترى الكل كماواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعنكم تشكرون لاพระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์ la เพื่อพวกเจ้าจะได้กินเนื้อนุ่มสดๆจากมันและพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกจากมันสำหรับสวมใส่และเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าคลื่นในท้องทะเล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 ได้มีลำน้ำและหนทางเพื่อพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้องวะอาลามัตยูวะบินนัจมึฮุมยะห์ตะดุนและเครื่องหมายต่างๆและด้วยดวงดาวนั้นพวกเขาใช้นำทางอะตัมัยยะห์ลุกุกะมันลายะห์ลุกุอะฟะลาตะซักกะรุนดะนันผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนผู้ถูกสร้างพวกเจ้าไม่ไคล้ควรดอกหรือ وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ لا พวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์พวกเจ้าก็จะไม่สามารถคำนวณนับมันได้แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Allonan, لا الله นั้นทรงรับรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وเหล่า บรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์ ما يشعرون ايانا يبعثون พวกมันตายประสาทจากชีวิตและพวกมันไม่รู้ด้วยว่าเมื่อใดจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีก इलाฮุกุม อีลาฮุวาฮิดา فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 อัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ไม่ทรงรักพวกหญิงพยองวะอิซากีละละฮุมมาซาอันซะลร็อบบุกุมกาลูอะซาตีรุลเอาวัลีนแล้วเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพระผู้บานของพวกเจ้าได้ประทานอะไรลงมา พวกเขากล่าวว่านิยายโบราณโลยะหฺมิลูเอาซาระฮุมกามิละตันยอมัลกิยามะติวะมินเอาซาริลละซีลัยุดิลลูนะฮุมบิฆอยริอิลมอะลาซามายะซิอุนพวกเขาจงแบกความผิดอย่างทบท้วนในวันปรโลกเถอะ และจงแบกความผิดของบรรดาผู้ที่พวกเขาทําให้เขาเหล่านั้นหลงผิดโดยไม่รู้พึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาทําผิดนั้นชั่วชายิ่งออดิมะกะรุลละซีนมินกับลิฮิมฟาอาตัลลอฮุบิยานะฮุมมินัลกวาอิดฟักอรอะลัยฮิมัสกุฟุมินฟาวกิฮิม خَرَّ عَلَيْهِم ਨ مِنْ سَمَائِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ نَنُونَ บรรดาผู้อยู่ก่อนหน้าพวกเขานั้นได้วางแผนเอาไว้ดังนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงทําลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมันฉะนั้นหลังคาที่อยู่เหนือพวกเขาได้หล่นลงมาทับพวกเขา لَكَالُومُ تُؤْثِيرُ دَيْمَارَ يَنْقُوَهُمْ دُورِتُهُمْ مَيْثَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ ਆ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ أَعْلَى الْكَافِرِينَ แล้วในวันปรโลกพระองค์จะทรงให้พวกเขาอัปยศและตรัสว่าไหนเล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้าได้โต้เถียงในเรื่องของพวกเขาและบรรดาผู้รู้กล่าวว่าแท้จริงวันนี้ความอัปยศและความเลวร้ายจะประสบกับพวกปฏิเสธศรัทธา الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون คือมนดาผู้ที่มะลาอิกะห์เจ้าชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาอ่ะทําต่อตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงยอมจำนนพลางกล่าวว่าเรามิได้กระทําความชั่วใดๆเปล่าเลยแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทําไว้ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ดังนั้นพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเพื่ออยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่พำนักของพวกหญิงผยองมันชั่วชายิ่งนักวะกีละลิลละซีนะตะกอมะซาอะซะละร็อบบุคุมกาลูค็อยรอลิลละซีนะอะห์ซะนูฟีฮาลิฮิดดุนยาฮะซะนะวะลาดารุลอาคิเราะฮ์ค็อยรอ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 และที่พำนักของบรรดาผู้ยำเกรงนั้นช่างดีเลิศจันนะตุอัดนีย์ يدخُلُونَها تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ สวนสวรรค์อันสถาพรที่พวกเขาเข้าไปในนั้นมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง สำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นจะได้สิ่งตามที่ต้องการในทํานองนั้นอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนผู้ยำเกรงทั้งหลายอัลลซีนะตะวะฟฟาฮุมุลมาลาอิกะตุตอยยิบีนอะกูลูนุสะลามุนอะลัยกุมดุคูลุลญันนะตะบิมากุนตุมตะอ์มะลูนบรรดาผู้ฐิต มะลาอิกะจะเอาชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นคนดีภานกล่าวว่าสันติจงมีแด่พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ในสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทําไว้ฮาลียรดูรูนอิลลาอะตียะฮุมุลมะลาอิกะอาวยะติอัมรุร็อบบิก كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากจะให้มลาอิกะห์มาหาพวกเขาหรือพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมาในทํานองนั้นแหละบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาในกระทํา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 ਕੋ ਚ ਹੌਮ ਲੌਮ ਪੁਖ ਖੌ ਅਵੈ ਵਕਾਲ ਅਲਲਦੀਨ ਅਸ਼ਰਕੂ ਲਾਉ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਬਦਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹ ਮਿਨ ਸ਼ਈ ਅਨਹਨ ਵਲਾ ਆਬਾਉਨਾ ਵਲਾ ਹਰਮਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹ ਮਿਨ ਸ਼ਈ และบรรดาผู้ตั้งภาคีกล่าวว่าหากเราทรงประสงค์พวกเราจะไม่เคารพภักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์ทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของพวกเราและพวกเราจะไม่ห้ามสิ่งใดอื่นจากพระองค์ทรงห้ามไว้ในทํานองนั้นแหละบรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทําดังนั้นบรรดาศาสนทูต ميداي มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการประกาศอันชัดเจนเท่านั้น ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين และโดยแน่นอนเราได้ส่งศาสนทูตมาในทุกประชาชาติโดยบัญชาว่าพวกเจ้าเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์และจงออกห่างพวกจเวรดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่อัลเลาะห์ทรงให้ทางนําและในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่การหลงผิดคู่ควรแก่เขาฉะนั้นพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินแล้วจงดูสิว่า บั้นปลายของพวกปฏิเสธนั้นเป็นเช่นใดอินตะฮริซาลาฮูดาฮุมฟาอินนัลลอฮะลายะฮดีมันยุดลวะมาละฮุมมินนาศิรินหากก็ห่วงใยต่อการชี้แนะทางนำของพวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่ส่งชี้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงให้เขาหลง และสําหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ และพวกเขาได้สาบานต่ออัลเลาะห์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่า อัลเลาะห์จะไม่ส่งให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมามิใช่เช่นนั้นสัญญานั้นย่อมเป็นจริงแก่พระองค์เสมอแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ลียูบัยนละฮุมอัลลซียัคตลิฟูนฟีฮิวะลียะอัลลามัลลซีนะกะฟะรูอันนะฮุมกานูกาลิบีนเพื่อพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเขา ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นแล้วเพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้โกหกอินนามะกอูลุนาลิชัยอ์อิซาอะรัดนาฮุอันนูกูลละฮุนฟายะกูนแท้จริงเมื่อเราปรารถนาคำตรัสของเรา แก้สิ่งได้แล้วเราก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นอัลลซีนะฮาจรูบิลลาฮมินบาดมาซุลมูลานุบะวออันนะฮุมบิดดุนยาฮะซนะวะลาอัจรุลอาคิเราะฮอักบารลาวกานูยะอ์ลามูนละบันดาผู้ที่อพยพไปในเรื่องของอัลเลาะห์หลังจากที่พวกเขาถูกข่มเหงแน่นอน เราจะให้ที่พำนักที่ดีแก่พวกเขาในโลกนี้และแน่นอนรางวัลแห่งพระโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้อัลลซีนะซบรอวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนบรรดาผู้อดทน และพวกเขามอบหมายความไว้วังใจต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาวะมาอรสัลนามินกับลิกอิลลาริจาลันนูฮีอิลัยฮิมฟัสอัลูอะฮลัซซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลามูนและเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนหน้าเจ้านอกจากเป็นชายที่เราได้ประทานองค์การแก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้บิลบัยนาตวัลซุบุบวอันซัลนาอะลัยกัซซิกเราะลุตัยนะลินนาสมานุซซิละอะลัยฮิมวะละอันนะฮุมยะตะฟักกะรุนด้วยหลักฐานต่างๆที่ชัดเจนและคําพิพากษาต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์ แล้วเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้ชี้แจงแก่มนุษย์ซึ่งสิ่งที่ได้ถูกประทานแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้ไตร่ตรองอาฟามินัลลดีนะมะกะรุสซัยอาติอันยักซิฟัลลอฮุบิมุลอัรฎอเอายาติเอฮุมุลอะซาบมินไฮซุลายะชุรบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายจะปลอดภัยกระนั้นหรือ จากการที่อัลเลาะห์ทรงให้ธรณีสู่พวกเขาหรือการลงโทษที่จะมายังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวออยากุดะฮุมฟีตักัลลุบิฮิมฟะมาฮุมบิมูอ์ญิซีนหรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทางดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถหักห้ามได้